นะเยหลานเนยลุงเอาเงินมาทำสงครามน่ะแพ้ด้วยแล้วเงินหมดแล้วเพราะว่าอย่างนั้นนบีก็บอกว่าตอนที่ลุงจะออกมาทาสงครามเนี่ยลุงเอาเงินฝากภรรยาไว้ใส่ถุงเอาไว้แล้วก็แอบไปคุยกันสองคนในห้องน่ะทาไมไม่เอาเงินก้อนนั้นออกมาล่ะลุงตกใจอ่ะเอ็งรู้ได้ยังไง่ะ นี่มันฉันทําับภรรยาฉันทํางสองคนในบ้านลอลไรเองรู้ได้ยังไงอ่ะน บ, บีก็ตอบ ว, ว่าเอาลอนเล่าฉันฟังหมดแล้วตั้งแต่วันนั้นเองบอฉันยอมรับอิสลามแล้วเห็นไหมรู้ได้ยังไงเหรอเรื่องเรคุยกันสองคนในห้องอะ่ะน บ, บีว่าเอาเงินที่อยู่ในถุงแล้วฝากภรรยาไว้ในห้องงานออกออกมาถ่ายตัวลุงลสักทเพราะว่าอย่างนั้นยอมจําดนเลหลาน ลุงรับอิสลามแล้วแต่อย่าเพิ่งเล่าให้ใครฟังนะว่าฉันรับอิสลามเพราะลุงนี่เป็นคนแรกที่กินดอกเบีย mm hmm. เบ้ยนายเขาทอาหรับ <c oughs> แล้วก็ดอกเบีย้ยในีจ่ายไปเต็มถ้าเขารู้ว่าเป็นมุสลิมนะผงนี้ไม่จ่ายเลยอ่ะฉะนั้นลุงเก็บเป็นความลับไปก่อนนี่ไงอาริมุลล อ, ลอยล้อทองรอบรู้สิ่งที่เล่นลับทั้งหมด อัลลอฮฺเป็น้องใครจะไปคุยอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ในใจคนเดียวคิดอะไรวันนี้อัลลอฮฺก็รู้นะเองคิดสะอาดเองคิดสุขภ ก, กอยู่ในใจอัลลอฮฺรู้หมดเลยวะชาดะแล้วก็เปิดเผยชาดะเดิมแปลว่าพยานแต่ทุกนี้แปลว่าเปิดเผยอัลลอฮฺทรงรู้สิ่งที่เร้นลับแล้วก็สิ่งที่เปิดเผยอัลลอฮฺบอกว่าไอ้เร้นลับกับเปิดเผยใครทําก็มนุษย์นี่แหละ <laughs> แพ้แกว้วควายไม่ทําหรอก <laughs> แมวก็ไม่ทำทำชั้ ไ, ไกยมนุษย์อย่างเดียวนะครับเอาต่อมาครับสิฟัตข้อที่สมอัลอาซีสผู้ทรงอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเราพูดได้เต็มปากเลยอัราฮีมผู้ทรงเมตตาเสมอไอเมตตาตรงนี้เฉพาะมุมินในวันเตียมากเท่านั้นเห็นไหมอัลหามานุราฮีมอรัราฮมเนี่ยว่าเมตตาเฉพาะมุมินนะ ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามสุนนะนบีก็แค่นั้นละ่ะแต่ใครที่ไม่เอาวัลลอฮ์ไม่เอาราสูนหมดสิทธ์อัลลอฮ์ให้เฉพาะโลกเดียวโลกดุญญนยาในเอต้นนะครับอัลฮัมดุลิลลอห์เอาตัวมาอายาที่ะอะไรนะทีนี้ไอ้ความลับเนี่ยนะนอิสลามเนี่ยมีความลับเยอะที่อัลลอ์ยังไม่ได้เผยให้รู้โดยเฉพายิ่งเรื่องของสวรรค์ทั้งหมด เราไม่เล่าเลยใครรู้ mm hmm. เผยมานล่นนิดหน่นนอ ย, อยเอออะไรบ้างอายุของเขาจะเท่าเดิม ม, มีแต่กลางมีแต่กลางวันกลางคืนไม่มีแล้วก็เล่าว่าอาหารในสวรรค์มีอะไรบ้างหนึ่งกินผลไม้ก่อนแลวภูราวันนี้นะไม่จะเอาคุณอ่านมาใช้เลยนะกินอาหารก่อนตามในผลไม้และทองอื่นเป็นหมดฉะนั้นตามคุณอ่านจริงๆต้องกินอะไรนะ ผลไม้ก่อนแล้วก็ตามด้วยอาหารแบบอิฟตอร์อิฟตอร์นะอ่ออิฟตอร์ทานอะไรก่อนอินทผลไมผลไม้ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยน้ําลไมาน้ำหม า, มาใช่ไหมนั่นคือชีวิตที่ถูกต้องอะนี่พอออกเรามารอนแล้วออผลไม้เก็บไว้ก่อนกินหลังๆจากนั้นนี่อัลลอฮ์เล่านะครับพี่ครูงานได้ฟังอะไรนั่น ว่ฟาทิฮาตีมิมมายาตคอยยารูนมีผลไม้ให้เลือกในสวนสวรรค์ให้กินก่อนแล้วก็วัลลามิวตอยริมมิมมายาสตาบูแล้วก็เนื้อนกกินผลไม้ตามด้วยเนื้อนกวะฮูรุูนแล้วก็หญิงชาวสวรรค์เซ็กนี่เล่านคัฟีกุานาร์หนึ่งทานผลไม้สองทานอาหารจะเป็นเนื้อเป็นปลาอะไรก็ได้แต่กุนานเอ่อยนก ว่าเขาดูไหนแล้วก็ยิงช้าสวรรค์ทำไมต้องกล่าวสามอย่างในกุณอ่านตุองลดใช้ปัญญานี่ยนี่หลายคนกลับมาทานอาหารตามคุณอ่านกินผลไม้ก่อนแข็งแรงทุกคนเลยเอามาเชื่ อ, อทําดูทานผลไม้ก่อนนะครับแล้วก็ทานอาหารทีหลังเดี๋ยวก็ตามมาก็โอโหอักบัตระรรยาก็าดีใจโอโหอักมัน ต, ตามมาเต็มไมดเลย เอาชีวิตในกุณอ่านไปใช้ชีวิตในสวนสวรรค์ที่อัลลอ์เล่าความลับเหล่านี้ผ่านนบีมุฮัมมัดลลัลอะลัยฮะสัลลัมยังมีความลับอีกเยอะแยะที่อัลลอ์ยังไม่ได้เผย น, นะเข้าสวรรค์ก่อนแล้วไปเห็นเองอัลฮัมดุลิลลาห์อาตัมาอายะที่ที่เจ็ดอัลลอฮอลลอฮนอัลลอลัลลัลออลฮ วบดั้ว خلق الإنسان มนติณ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان มนติณ الحمد لله ทุกอายะนในคัมภีร์อัานทุกวัตทุกอักษรมีความหมายหมเลยนะ อัลลอฮ์ดีไอ้ยานี่ต้องการจะบอกอย่างีงอัลลอฮ์เนี่ยทรงออกแบบออกแบบมนุษย์ใครสร้างมนุษย์ได้แบบนี้มีไหมสวยอยางีงไม่มีแล้วครับในตัปสิอธิบายว่าท่านอิบนะอับบาสอธิบายบอกว่าแม้แต่สุนัขอัลลอ์ก็ออกแบบสุนัขดูสิสวยได้ไม่สวยออกแบบสัตว์ทุกชนิดไม่ซ้ำกันเลยนะ และออกแบบต้นไม้ดูสิใช่ไหมออกแบบออกแบบออกแบบแล้วก็เล่าวันนี้อัลลอฮฺเป็นผู้ที่อาฮซานะทำให้สวยที่สุด most beautiful ดีที่สุดสวยที่สุดกุลละชัยอินทุกทุกสิ่งอัลลอฮุอักบับค์อลากอฮูที่อัลลอฮสร้างมันมา สิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างทุกรายการในโลกนี้นะอลัลลอฮ์ออกแบบสวยที่สุดใครออกแบบมันกับอลัลลอฮ์ได้บ้างออกแบบชั้นฟ้าออกแบบดวงอาทิตย์ออกแบบดวงจันทร์อลัลลอฮ์ออกแบบกลางคืนออกแบบมนุษย์อลัลลอฮ์เห็นไหมแพะแกะวัวควายสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นสัตว์นี่นะเวลามันกิน ก, กินน้ำจริงมัเอาจมูกก็ามันกันนภาคถูกพื้นใช่ไหมท่านสุยุทธ แต่โซนเราเนี่ยถ้าไม่ยืนน้ำมาทำได้ไม่ได้สู้อยู่น่ะเพราะว่าเราจะกินน้กว่าเอามือช่วยใช่ไนะหมล่ะนาพากเลยไม่ได้ถูกดินเลยไม่ได้ผูกพื้นเลยนะแต่แพะแกะวัวควายเนี่ยกินน้ําทีกินหญ้าทีเอาจมูกอัศวินทิศศาส้มันหัวมนะันอ่ะจดพื้นหมดเลยมันสู้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรานี่นะถ้าไม่น้ามาอย่างเดียวนะจบเลยนะ ใใครออกแบบอัลลอ์ออกแบบในอุลมามะอธิบายอัลลอ์ละเอียดยิบเือละหมจุลีลาขอบคุณอ ah ah. ma. ัลลอฮ์บ ب ح ะอัลลอ์ผู้ทรงให้ดีงามให้สวยงามยิ่งซึ่งทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมันมาแสดงว่าอัลลอ์เนี่ยออกแบบสวยที่สุด นะครับแล้ววันนี้คนก็เรียนแบบอลัลลอฮ์ใช่ไหมเรือดำน้าก็เหมือนกันเรือในมหาสมุทรของบุงเครื่องบินนี่เรียนแบบอลัลลอฮ์หมดเลยใช่หอันนี้เป็นตน้นเอาต่อมาครับว่าบัดอาบาดาัดอาแปลว่าเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มคอลก็แปลว่าสร้างอัลอิซานมนุษย์และอัลลอฮ์ได้ทรงเริ่มสร้างมนุษย์ สร้างครั้งแรกเนี่ยมาจากอะไรมินติจากอะไรจากดินมาถึงนบีอะไรอาดามอะไรฮิสตลาถูกสร้างมาจากดินเห็นไหมอลัลลอฮ์อธิบายสรุปสั้นๆให้คุณผู้เข้าใจง่ายๆบอกกับนบีนบีมามาเลยเอาเรื่องนี้ไปสอนคนนะว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ ย, ยสวยหมดเลยแล้วออกแบบเองด้วยไม่ซ้ําแบบใครด้วยใช่ไหม แล้วก็สร้างมนุษย์เนี่ยครั้งแรกนะมาจากดินก็อธิบายยังไงหนึ่งอัลลอ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยสี่แบบหนึ่งสร้างอาดัมมาจากดินสสร้างโตฮาวามาจากซี่โครงของอาดัมผ่านผู้ชายไม่ผ่านผู้หญิงสรงสร้างนาบีอิสราเอลฮิสลามผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็วันนี้เป็นไงการาบนบีอีสากันครึ่งโลก อคิดได้ผิดสวงนบีอิสลามามาสอนน่ะเอาหลอนใประกาศนาบีอิสลาอยู่เราไม่แตะว่ากลุ่มไหนนะแล้วก็สร้างพวกเราวันนี้มาจากน้ําอสุจิถุลยงั้มนุษย์ถูกสร้างมากี่แบบนะสี่แบบหนึ่งสร้างจากดินอ่าไข่นบีอาดามทุกคนยอมรับหมดทั้งโลกเลยสร้างตัวฮาวามาจากซีโคงยอมรับกันหมดทั้งโลก พอสร้างนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อคิดเองอ่ะนบีอีสาเป็นลูกชายอัลลอฮ์อัลลอฮ์ละกันแล้วก็ภรรยานามเหมาเป็นเมีย ah อัลลอฮ์เองนะนี่อะกิดาผิดเพี้ยนหมดเลยน่ะที่อัลลอฮ์ไม่พอใจนะ่ะพวกยาฮูดีกับ น, นัสรอเนถึงได้การนกีคุอ่านวันละกี่เที่ยวที่อัลอ่าน่ะรอยริลมาดูบีอาไลฮิม ว่าเรดอเลนมกักุดแปลว่ากลุ่มชนที่อลัลลอฮ์ทรงกลิ้วคือพวกยะฮูดีรบดรอเลนกลุ่มชนที่หลงทางคือพวกนาซร์พูดเตือนหูเราทุกวันเลยนะอย่าเอาอย่าเอาแบบของคนสองกลุ่มในโลกนี้มาใช้นะต่อเอาใครอ่านหน้ำตาและอีหิมต้องเอาแบบของคนที่อลัลลอฮ์ประทานเนี่ยมัดให้แก่เขาเช่นพวกอัมบิยะพวก ชูฮะดาพวกซาลิฮีนอัลซิดดีกีมิ4กลุ่มไรนะอัลอัลบิยาวัลซิดดีกีนวัชูฮะดาวัสซาลิฮีนเอาอัคลากเอานิสัยเอาอามันของคน4กลุ่มนี้ไปใช้ก่อนจะตายบนโลกดุนยาใบนี้ถึงจะปลอดภัยจากการลงโทษถูกอาสาบในกุโบกปลอดภัยหมดเลยครับอัลฮัมดุลิลแล الذي أحسن كل شيء خالقه ล ل ل ه ดันผู้ทำสร้างทุกสินะ่ง ท, นะทุกอย่างเนี่ยอัศจรรย์ไปไวานะสวยที่สุดนะอัศจรรย์ ان, most beautiful สวยที่สุดฮัมดูิลลายละใครออกแบบอัลลอฮ์ออกแบบเองท่านอบิบนาบบอธอธิบายว่าแม่แต่สุนัขอัลลอฮ์ก็ออกแบบด้วย อสุนัขเห็นคนมันเห่าเพราะอะไรแลเราออกแบบมาอย่างงี้ออกแบบให้เหานะ่าไงแล้วก็นบีสัง่งอย่าเอาสุนัขเข้าบ้านอย่าเลี้ยงสุนัขแบบคนฝรั่งเลี้ยงใช่ไหมถ้าจะเลี้ยงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไหมได้แต่ใส่กรงนะพอกลางคืนนะก็ปล่อยอยู่นอกบ้านไม่ใช่อยู่ในบ้านแต่กุลมะบางคนอธิบายบอกว่า บ้านมุสลิมไม่ได้เอาสุนัขมาเลี้ยงแต่เอานิสัยสุนัขมาใช้โอ้โหแสบจริงๆเอานิสัยของสุนัขมาใช้ชอบเอาคนนั้นชอบเอาคนนี้ชอบนินท้าเนี่ยนะชอบว่าดรูตําหนีคนนั้นเอามาใช้ทําไมอ น, นิสัยอักลาข อ, ของของของสุนัขอัลโอบิลัยมิซาลิ ว่บาดาลคอนคอนอินซานเดออัลลอ์เริ่มสร้างมนุษย์มาจากอะไรนะมาจากดินไอมาจากดินนี่ทำไมมันดื้อเหลือเกินอ้าวในตับซีอธิบายอย่างนี้อัลลอ์เนี่ยนะสร้างมนุษย์เนี่ยพูดซ้ำไปซ้ำ ม, มาในคุราน65ครั้งคอนคอนอินซานคอนคอนอินซานคอนคอนอินซานคอนคออินซาน เร า, าสร้างมนุษย์มานะมาจากดินนะห5้าครั้งแล้วก็เร า, าก็เล่าต่อไปอีกฉันสร้างมนุษย์มานี่นะไหว้ฟันอ่อนแอข้อที่สองสุลูมันชอบชอบดื้อก็ทรยศ์ด้วยรอนเลมด้วยแล้วกักบกาแฟด้วยนะรอ้อนเลมชอบอาธรรมคนชอบ ชอบรังแกค้ น, นว่าง่ายๆนะแล้วก็ทรยศต่ตออัลลอฮ์ด้วยไม่ช่ยอมรับอัลลอฮ์เท่าไหร่นั้นทั้งที่อัลลอฮ์สร้างมากับประหารของอัลลอฮ์เองเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่เอาอัลลอฮ์ต่อมาครับมาจากน้ําอสุจิ3ามสี่มนุษย์ใจร้อนน ท, ทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้มนุษย์เนีใจร้อนคือดูแบบนบีเป็นแบบชาวบ้านนบีเคยใจร้อนหมดพอรับอิสลามเปลี่ยนนิสัยหมดเลยไงมามีนิสัยเท่าไนะ รอให้อภัยคนใจเย็นๆถึงขออุอาอัลลอฮฺเลยสั่งนบีว่าขออุรามีอยู่ห้าอย่างนะขอแล้วได้เลยก็มีน้อยมากสองขอแล้วได้ชา้าต้องใจเย็นๆอันที่สามขออย่างหนึ่งให้อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมไอ้เรื่องให้ถูกใจได้ไม่ค่อยมีเรามีแต่อัลลอฮฺนี่ทำไมอัลลอฮฺบอกอย่างนี้เล่าให้นบีฟังใจเย็นๆ มนุษย์เนี่ยต้องใจเย็นๆถึงจะเข้าหาหลักการแบบแบบสังหางามหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้าสามขออย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งอีอย่างนี้ใครนางพันนะอยากจะได้ลูกเป็นลูกผู้ชายให้ลูกผู้ชายเขาเนี่ยไปรับชายบัสลิตของอัลลอฮฺแต่เวลาอัลลอฮฺให้คลอดมาเป็นใครเป็นนางมารยามเป็นลูกผู้หญิงถามว่าถูกใจไหมลนะ่ะ ก็การนำอภิครายอัลลอฮ์อ <TP> ัลลอฮ์ฉันขอลูกผ huh ู้ชายอัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงนี่อัลลอฮ์เล่าเลยว่านางฮานาน่ะเหมือนกับบ่นบนนิดนิดนะแต่ได้ลูกผู้หญิงมามีใครนบีอิสาตามาสง่างามขนาดไหนเป็นนบีด้วยอัลฮัมยูลิเล่นี่อัลลอฮ์สอนน่ะฉะนั้นใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนใจร้อนได้จะพอมีเสีรายการหนึ่งวันละแขกมาใจร้อนไดเลยรีบเอา เอาน้ำมาให้แขกสองเวลามีนี่ให้รีบชายนี่อันที่สามลูกผู้หญิงโตแล้วให้คิดเอจะหาลูกเขอที่ไหนมาแต่งงานข้อที่ห้ามีจนาไดาย้ย่าแช่ให้รีบจัดจนาดา้มียุสีรายการเนีย่ยใจร้อนได้เลยนอกนั้นใจเย็นๆฉะนั้น ว่ากานใอินทานอาจุละออนเล่าเองนะว่าฉันสร้างมนุษย์มาจากน้มาสุจิมาจากดินแต่ทำไมมันใจมันร้อนเหลือเกินล่ะก็ต่อมาครับข้อที่อะไรนะฉันนี่นะสร้างมนุษย์นะเวลามันเวลามันอะไรนะเวลาให้เนี่ยามัดกับมานมันดีใจแล้วก็ไม่เคยขอบคุณฉันเท่าไหร่ฮะ ให้นู่นให้นี้ดีใจอย่างเดียวแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นเอาเวลาให้เรื่องไม่ดีมาโกรธนี่นิสัยมนุษย์เป็นอย่างนี้ยกเว้นคนที่มีาศาสนาคนที่เอาซุนานบีมาใช้ในชีวิตประจำวันนะเวลาเขาถูกบัลาบ้างอะไรบ้างเขากล่าวไว้นะอินนาลิลลออีวาอินนาอิลลออิรอจิู Allahumma jurni fi musibati wa khilafli khairaminha ไอคนอย่างนี้นะมีกี่คนเมื่อถูกมุสีบ้ามาแล้วก็ที่นึกถึงฉันเนี่ยแล้วขอด้อนวอนนะมีกี่คนนับนิ้วได้เลยแต่ไอคนที่มีบัละมาแล้วด่าฉันนะ่ะอันนี้เยอะมากเลยนี่อันล่าสุดนะครับพี่คุณอ่น <c oughs> านฉะนั้นพออ่านคุณอ่านแอัลฮุตาสว่างอัลลอฮฺอัลกุบะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงตัวเองฉะนั้นอยู่บนดวงยาที่ อัลลอฮ์ไม่ให้เราถูกใจหมดหรอกมีแต่มีแต่ปัญหาปัญหาปัญหาตามมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้นอบน้อมเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮาร์นะฮุวะตัลลาอาต่อมาครับอายะที่อายะที่8ปซุมมาจาลาัสละหูมินซุลาลติมมิมมาอิมมหี ซุมมาจะอาล่น nah. ัสลาหูมิสุลลดติมิมมาอิมมาหินอัลฮัมดุลิลละซุมมาจะอาล่ซุมมาแปลว่าหลังจากนั้นหลังจากสร้างนบีอาดามมาจากดินแล้วนี่นะหลังจากนั้นเนี่ยยาล่แปลว่าอัลลอฮ์ได้ทํา ยาละแปลว่าคอนแล้วก็เหมือนกันยาละคอนแล้วก็แปลว่าทำนัสละหูนัสลแปลว่าเชื้อสายของเขาเชื้อสายของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่นบีอาดัมมาถึงวันนี้เนี่ยนี่เชื้อสายนะรักษากันไว้ทั่วโลกตอนนี้ลูกหลานนาบีอาดัมใช่ไหมใช่เราหนมามะเราคนแรกคือโตฮาวะฮาวะแล้วก็พ่อเราก็แรกนบีอาดัมนี่ไง มาถึงเราวันนี้นะนั่นน่ะก็เรียกว่าเชื้อสายไอ้เชื้อสายที่มาถึงเราวันนี้เนี่ยมินสุลาละสุลาละแปลว่ากลั่นออกมากลั่นกลั น, ลนแบบน้ํากลั่นนะนะกลั่นออกมาอา๋อพี่น้องคิดดูสิน้ำมัสุจิที่ออกมาจากตัวเราเนี่ยใครทาได้อ่ะผ่านนู้นผ่านนี้ผ่านนี้ผ่านนั่ น, น, น, น, น อ, อ๋อเป็นน้ำมัสุจิออกมาแล้วก็ไปอยู่ในมดลูกก่อนต้องนิกากนต้องแต่งงานก่อนเห็นไหม เร แ, แต่งงานก็บเราบิกให้รูปแบบอีกแต่งยังไงมหัตเท่าไรซ้อนหมดเลยจัดงานอีกากี่วันแต่งที่โซรารู้แต่งที่บ้านรู้แต่งที่สโมสรรื้แต่งหัวขั้นตอนมันมาเต็มเลยฉะนั้นอลัลลอฮ์นี่นะได้ทรงทำให้เชื้อสายของเขากลั่นออกมาจากอะไรมาอินมาอูนไปว่าไรน้นา มาฮีนุนแปลว่าไร้ความสำคัญไร้ความสำคัญตามต้อยน้ำมาสุจีร อ, อพี่น้องเป็นน้ำมาสูจีแล้วเป็นน้ำมาเสียทําไมมันดื้อนกันหนาลี่นละใจก็ร้อนอลอมโมโหก็ง่ายขี้เนียวก็ขี้เนียวโกรธง่ายแล้วก็เตะท่าอีกนะ ผูกพยาบาลอีกเอาชนะอีกนี่มาจากไหนไหกเจข้อเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไม่มีโรงเรียนนายสอนน่ะก็ไม่มีครูคนใดแนะนำนักเรียนเองต้องตะก บ, บุดวางตัวเตะท่านะไม่มีแต่มาอย่างไงอ่ะนี่ไงเห็นไหมมนุษย์เนี่ยถ้าไม่เรียนศาสนาอย่างเดียวนะทีฝันหก6กเจข้อเนี่ยเต็มเลย1นตะก บ, บุดสองิริกส ขี้เหนียวสโมโหเก่งหใจร้อนหชอบทะเละกับคนใครควางหูควางตานีก็ดาแหลกเลยนะเห็น ไ, ไหมไปร่างมาได้ยังไงสิ่งเหล่านี้ซึ่งในายกูอานมาจะสอนเลยสอนผ่านนาบีอ่าฉะนั้นใครต้องการที่จะมีอัคลากสังงานยา้อย่าลืมนะศึกษาชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลุอุสลัมแล้วคนที่เรียนแบบ สุน่านาบีนั้งสง่างามหมดเลยท้าา่านอบูบักเรียนแบบจากสุน่านาบีอัลลอฮฺอักบัต์ท่านไซนาอูมัตนัลล่นต่อสู้กับอิสลามใช่ไหมนะวางแผนฆ่านาบีใช่ไหมพอมารับอิสลามใจยังกระน้ำยังกระทะเลมายัางไงอะัลลอฮฺช่วยนะจากนั้นคนที่เอาสุน่านาบีมาประดับชีวิตของเขาแต่ต้องเรียนก่อนนะ ทุสิ่งทุอย่างจะสง่างามหมดเลยอัลฮัมดุลิลละนี่เป็นความเมตตาของอัลลอ์สุบฮานาวุวาต้าลซุมมาจาละนาสลาหูมินสุลาลติ ม, ม, ม, ม, มินมาอิมฮีนจากหน้มามัลซูจิอยู่ที่ไหนอยู่ในคันมานดากี่วันสีสิวันนี่นบีอธิบายนะ เป็นก้อนเลือดแล้วก็เป็นก้อนเนื้ออีกสี่สิบวันแล้วก็มาเป็นกระดูกสี่สิบวันแล้วก็มีเนื้อหุ้มกระดูกสี่สิบวันแล้วอัลลอฮฺสร้างอะไรก่อนในมดลูกอะ่ะเราอธิบายในคัมภีร์คุณ อ, าอ่านอายะที่เก้าอธิบายเลยเน่งสร้างหูก่อนมดลูกของมะแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดก่อนในมดลูกตามคุณ อ, าอ่านอายะนี้เลยนะ สร้างหูก่อนสร้างใบหูก่อนหูก่อนพอหูเสร็จแล้วอะไรแล้วไหมอปสอดตาแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องใหญ่ที่สุดหัวใจผมดูไอ้นะั่นน่ะไอ้กล้องจุลทรรศน์เล็กๆ เ, เลยนะว่าเด็กอยู่ในคันมารดาเอนะลสร้างอะไรก่อนเหมือนกูอานเลยสร้างหูสร้างไรนะหูสร้างอะไรก่อนนะสร้างหูก่อนแล้วก็สร้างตาแล้วก็สร้างหัวใจ พอสร้างรายการเสร็จแล้วนะควบประดีร้อยเท่าไหรนะรอยี่สิบวันอลัลลอฮประทานเป่ารั้วให้อยายะที่9พร้อมกับรั้วนะมีอะไรบ้างหนึ่งอายันริสกีก่อนคุณได้ริสกีอยู่บนดุนยาเนี่ยเท่าไรสองวันตายคุณวันไหนข้อที่สมคุณมีอาชีพทำอะไรเห็นไหมอาชีพมีทุกคนทุกคนนะ่ะ กลักวกลัวจนทําไมนะแล้วข้อที่สอะไรรู้ไหมคุณจะเป็นคนดีหรือคนชั่วไอ้ข้อที่สี่ต้องเลือกนะอีกสามข้อในในมือตัวไปเลือกเดินตา ม, มาอัลลอฮ์หมดเลยเขาเรียกว่ายากรนมั่นใจต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุต่าละไอ้ข้อที่สนี่แหละสักียุนเอาใส่หรือบางคนแปลว่าสุขใจหรือว่าทุกข์ใจไอ้สุขกับทุกข์จะมาหรือบางคนแปลว่าอะไรนะคุณจะเป็นคนดีหรือคุณชั่วไอ้ดีกับชั่วเนี่ยต้องทําเอง เอาลองให้ข <cin stereotype> ้อเดียวนะถ้าเป็นคนดีเรียนศาสนาซะแล้วก็อางสูน่านาบีมาใช้ซะกลายเป็นคนดีถ้าทิ้งสูน่านาบีไม่เรียนศาสนานะเดินตามอารมณ์ตัวเองบวกกับใ้ตอด้วยไปไวเลยลพึดพืดพืดพืดพืำหน้าแซงหน้าคนอื่นหมดเลยในเรื่องชั่วๆหมดเลยอย่างนี้ม่ต้นนะเอาอายะที่เก้าซุมซะวหฮฺ ون ั <House> ่ฟ خ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصر والأفداء قليلاً ما تشكرون ا a ل ه أكبر ขยะนี่อรรถตำหนินะไม่จะชมนะซุมซาห์หัวนั่ฟ خ فيه من روحه Akbar. ว่ า, มมะวาจะแล لك ุมุสสะมะแลอัซาระแลอัฟิดะขลิลมาตึกกรุนอัลลอฮฺอัลลัลลาฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอรฺอัลลอฮฺัลลอฮอัลลาฮฺ้ัลลอฮฺัลลอฮฺอล้ อ, อ น, นฺอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺลอฮฺออออฮฺอัลอฮฺลลอฮฺอลอฮฺอล ซุมมาเซาว้าหอาลัลลอฮ์ทำให้สูเจ้าเนี่ยครบบริบูรณ์ซาว้าหูแปลว่าทาให้ครบมีหูมีตามีจมูกนะครับมีหัวใจมีนู่นมีนี่ครบบริบูรณ์พอครบแล้อยู่ในมดลูกเนี่ยนะว่านาฟา้าขนาฟา้าขอแปลว่าเป่าเป่าแบบไหนเราอธิบายอีกบางทีเราเปล่ า, บบ า, อาราอาาาา ว, าว่าแล้วนะว่านาฟา้าขอ อัลลอฮ์เปล่าทีนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ลงมาเองหรอกให้ใครมาทำหน้าที่แทนมาดาอิกอะว่านาฟะคอและเปล่าฟีลงไปในร่างที่ทำไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนะเปล่าอะไรครับรู้รู ح, ้ร ح, แปลว่าวิญญาณรู้เฮฮมีคามีคาเข้าไปด้วยวิญญาณของอัลลอ์วิญญาณของญญขอัลลอ์อธิบายอย่างนี้แบบใบตุลลอด บ้านของอัลลอฮ์ไม่ใช่บ้าน Allah อัลลอฮ์ตรงนั้นไม่ใช่นี่เป็นการตัดรี์ฟให้เกียรติกับอาคารหลังนั้นแล้วก็ให้เกียรติวิญญาณของมนุษย์ที่อยู่ในร่างเรานั่นนะ่ะวิญญาณตัวนี้อัลลอฮ์ส่งมายกย่องให้เกียรติใหญ่ที่สุดปฏี ด, ดีที่สุดคือวิญญาณที่อยู่ในร่างเราทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ห่วงวิญญาณเท่าไหร่เราห่วงท้องใช่หรือไม่ใช่ค <c oughs> วงท้องจังเลยนะ ถ้ไม่ได้กินสักมื้อหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเราบนแล้วบนอีกผ่าน ร, รมอมฎอนมาน่ะผ่านได้นะ่ะพอออกรมอมฎอนไปแล้วเบรคเฟร์ Breakfast, ไม่ทานมันหงุดหดงิดหดงุดหงิดหงุดหงิดแต่อย่าลืมนะที่สําคัญก็ท้องคือวิญญาณวิญญาณมาจากไหนหรือเปล่าข้างบนน่ะใครพามาเมาริกาพามาเมื่ออลัลลอฮ์ให้วิญญาณมาอลัลลอฮ์ก็ให้อาหารวิญญาณมาด้วยอาหารวิญญาณอะไรหรือเปล่า อัลกุรอานมาจากไหนชันฟ้าใครขึ้นไปรับมานบีมุฮัมมัดไปรับคำพีอัลกุรอานมาจากชันฟ้านั่นคืออาหารวิญญาณหอลล อ, อักบัดซิครุลาะเป็นอาหารวิญญาณนามาดเป็นอาหารวิญญาณรออั ล, ลาออบาดนี่อาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับบิสมิลลาเป็นอาหารวิญญาณฉะนั้นเราเนี่ยมาคยได้ห่วงวิญญาณกันเท่าไหร่แต่ห่วงอะไร ห่วงทองมากกวิญญาณอีกแล้วห่วงท้องนะมันห่วงห่วงไม่จริงด้วยนะของค้งารองก็กินของค้าลานก็กินแต่เราห่วงหรือเปล่าไม่ได้ห่วงผมพบกับหมอคนหนึ่งเป็นหมอคนไทยที่จบมาจากอินโดนีเซียก็มาเยี่ยมที่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็นั่งคุยกันเขาก็เล่ามาว่ารู้เปล่าวิญญาณเราเนี่ยนะถ้าไปทานอาหารที่ไม่กล่าวบิสมิลลาห์วิญญาณอึดอัด กินของหาลามทําไมเร ว, วิญญาณนี่ไม่อยากได้เลยแต่เอ็งจะของเจะของไม่ได้ห่วงอะ่ะกินสารพัดกินเป็ดกินไก่กินเนื้อกินสัตว์ที่ไม่ได้กล่าวนามอาลัลลอฮ์ตอนเชื่อดไปกินทําไมแล้วกินเลือดอีกอะ่ะเลือดอันรเลือดสัตว์เห็นไหมแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นกินอาหารไม่อ่านบิสมิลลาห์วิญญาณไม่พอใจนะดื่มน้าไม่อ่านบิสมิลลาห์วิญญาณไม่พอใจ ตอนจะนอนก็นเหมือนกันแปลงฟันก็ไม่ได้แปลงน้นํานามานก็ไม่ได้อ่านสามขุนไม่ได้อ่านอ้อน Allah แล้วก็บิสมิลล้อะไรอะมูตูอายอนไม่ได้อ่านวิญญาณไม่พอใจแต่เราไม่ได้ห่วงอย่างนี้เป็นต้นจานั้นนี่อัลลอฮฺอาลาเตือนในกีนุรอานผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลเลยมุสลัมจานั้นนบีจึงเป็นบุคคลตัวอย่างที่สง่างามที่สุดนะครับไม่มีที่ตําหนิเลยเพราะนาบีนี่สอนทุกอย่างใช่ไหม เอเข้าห้องน้ำอเอาข้ า, าวเท้าไหนข้าเท้าซ้ายออกโดยเท้าวขวาก่อนเข้ามีดูอาอ่านไมมทำไมต้องสอนละ่ะเพราะวิญญาณต้องการของดีดีดีดีที่มาจากอัลลอสุภานาหัวตาลาทุมมซะวะหัวานาฟาอฟีมิรูฮี รู้ให้หวิญญาณเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของแบบกับใบตุลล้อเหมือนกันเข้าใจไหมนะอาจารยคนที่ไปเดินต่อวา่าตัวมีน้ําน้มานก่อนเห็นยังคนกาเฟเข้าได้ไหมล่ะแอบเข้ามีมาเอาเรื่องเองเดี๋ยวเราเช็คบัญชีที่หลังเห็นไหมเขียนไปตัวโตวเลยนะไม่อนุ ญ, ญาตให้เ ข, เข้าเขตนี้เห็นไหมคนนจิสคนสุกปรกอะไรใจสุกกระเบรกกินอาหารไม่เลือกห้ามเข้าตรงนี้เห็นยัง นั่นใบดุลละแล้ววิญญาณเราเ่ยมาจากอัลลอ์เนี่ยเราก็ต้องต้องเลือกอาหารทานอัลลอฮอักบาตนะรวมไปถึงภรรยาต้องมาอยู่ด้วยกันกี่ปีละลูกสามคนแล้วยังไม่ได้นิกากันเลยเนี่ยว่าวิญญาณพอใจไหมวิญญาณก็ไม่พอใจวาจาละละกุมุสซามาวลอบอซารวัลอ أف ิดะจาละอัลลอได้ทํา แบบพอแล้วก็ไม่กันทําอะไรครับละกุ้มให้กับสูเจ้าเพื่อสู่เจ้าทําอะไรครับอัศ ม, ม่าหูแปลว่าได้ยินแล้วก็ทําอะไรข้อที่สองวันอบอไปปอดแปลว่าตาพอรอแค่มามู ต, ตาบอดเนี่ยยังสงสารไหมแล้วห้องนี้เลยใช่ไหมไม่มีตาอย่างเดียวเราก็แต่อร่อยให้อย่างนะคนไม่มีตาเนี่ยจำอะไรแม่นนะนะ แม่นคนท่องจำคนอัานสวนใหญ่ไม่มีตานี่เยอะนะเราแล้วก็อ่านเพราะด้วยนะเราอักบัตอัตอมาครับวัดอาฟีดะแล้วก็สร้างหัวใจสร้างอะไรก่อนหูก่อนแล้วก็ตาแล้วก็หัวใจเราเล่าเองนะกอลิลามาตูรูนกอรลินแปลอะไรเล็กน้อยล็ต์เติลแปลว่าส่วนน้อย มาตัศกรุณส่วนน้อยที่สูญเจ้าขอบคุณขอบคุณใครขอบคุณอัลลอ์ใช่หรือไม่ใช่โอ้โหใช่เลยเนี่ยเราตำตำหนี่ใช่ไหมรู้ไหมชมเล่าให้ฟังให้คนมุสลิมฟังให้นบีหมัดฟังนะอัลลอ์รู้มันมีสายมนุษย์เป็นอย่างนี้ฉะนั้นส่วนมากส่วนน้อยที่ขอบคุณอัลลอ์ส่วนมากส่วนมากนั้นไม่ขอบคุณอัลลอ์เลย มองข้ามเอาล้อหมดเลยพูดว่าไงเกิดขึ้นมาเองดวงอาทิตย์มาเองดวงจันทร์มาเองกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นมาเองมนุษย์มาเองไม่มีใครขอบคุณ Allah ออนี่เล่าให้ฟังนะสร้างหูก่อนแล้วก็สร้างตาแล้วสร้างหัวใจนะพวกคุณยังไม่ได้ขอบคุณ Allah ออมาจากชั่ ก, กต็ต่อ a ล l ารชัว ก, ก็ต่อ Allah ที่ดีที่สุดคือการสุญด ในรูปแบบที่ท่านนาบีมุฮัมมัดให้นี่แหละเป็นรูปแบบที่ most beautiful อัจฉริ์ดีที่สุดอทีนี้คำว่ามิรูฮีเนี่ยส่งเป่าวิญญาณเข้าไปเนี่ยอลัลลอฮ์เพียงเพียงแต่สั่งนั่นแหละกุนไฟกุกูอาเป็นมันก็เป็นอย่างนี้ไปต้นนี่มีความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้มาอาลัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียว นะครับไปทดูลิลลยต่อมาครับอายสุดท้ายว่กาลูอ้าด้ลลนาในอัลริอยนนาเลฟีขลกินจดิด بلهم بلقاء ربهم كافرون الحمد لله وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون อัลลอฮฺอักบรนี่นิสัยมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละนะอยายะคี์นี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้เมื่อมนุษย์ตายนะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตายแล้วตายเลยนี่คนส่วนใหญ่แล้วเล่าให้ฟัง แต่ที่จริงเนี่ยตามคุณอ่านในทางวรรดาแล้วตายเลยไหมไม่ใช่ตายแล้วต้องฟืน้นไอ้วันฟื้นคืนชื่อวันนั้นเรียกว่ายาวอะไละยาวมุสลอาเคีร์รุกลที่ที่ห้าใช่ไหรุกลอิมานหกข้อเนี่ยข้อที่ห้าก็คือศรัทธาต่อ ว, วันอะเคียร์ข้อที่หกอัลลอฮ์กำหนดให้มนุษย์พบกับปัญหาต่างๆนี่นะครับมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไอ้ฟื้นขึ้นมาทําอะไรมารับรางวัลคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อไม่เชื่อกับ นั่นรรเรามาีภาษาออกมามือใครยาวสาวได้ก็สาวก็อเอาพี่น้องนั่นไม่ใช่นะ่ะอิอสลามนี่มันสาวทกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ <c oughs> อลลอฮมีของฮาลางวางอยู่ไปสาวได้ไงอ่ะก็ต้องปล่อยไปทำถเถอะเดี๋ยเอาดูครับดูศัพท์ว่ากอลูกอลากอลากอ ล, กอลูพวกเขาทั้งหลายพูดว่าใครพูดอธิบายได้เลยคนกาเฟตพวก ป, กปฏิเสธ ที่นบีมาสอนมาสอนญาติญาตินบีก่อนเลยนะพวกนี้ปฏิเสธคําสอนของนบีทุกอายะอายะจะลอลนลงผ่านนบีมาทุกเรื่องเลยคว้างหมดเลยทั้งว่านบีเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยเหนื่อยครับนะวะกอรูแล้วพวกเขากล่าวว่าอ้าคำว่าอ้าเนี่ยอะไรกันคาอ้าอก่อนเดียวนะอะไรกัน อีกเมื่อดอลลนานาดอลลนานาแปลว่าสูญหายหรือพินาศหรือว่าอยู่ในดินกลายเป็นดินไปแล้วคาว่าดอลลนาเนี่ยแปลไงนะเมื่อตายไปแล้วถูกเผาไปแล้วอยู่ในกุโบกลายเป็นดินไปแล้วเป็นปุ๋ยเป็นผงไปแล้ว fill o u ในดิน มีคนกล่าวว่าเป็นไปได้ยังไงเมื่อเราเนี่ยถูกฝังตายไปแล้วพินาศไปแล้วกลายเป็นดินไปแล้วอยู่ในดินน ะ, อ, ะอินอาแปลว่าหรืออันแรกแปลว่าการ น, นั่นหรือถูกไหม อ, อินอแท้จริงเราละฟีอยู่ในคอลกินการเกิดจะดดินใหม่นี่ยก็ล้อเล่า คนกาเฟสพูดบอกว่าเราเนี่ยกลายเป็นดินไปแล้วตายไปแล้วเป็นผงไปแล้วเป็นกระดูกไปแล้วเป็นดินไปแล้วเราจะถูกให้เกินไ่อีกครั้งหนึ่งก็ น, นั่นหรืออิมพอ i ์สิเเป็นไปไม่ได้ไอ้ม <c oughs> ่ไมปนนี่อลัลลอฮ์เล่านะความคิดของคนกาเฟสในโลกคิดแบบนี้เพราะอาลัลลอฮ์รู้เรื่องเก็บทั้งหมดในใจกองมนุษย์ช่ไม่ใช่นี่อนเล่าไอ้ฟังว่ามัน พวกนี้นะปกปิดความลับเอาไว้อย่างหนึง่งมันเข้าใจว่าตายไปแล้วไม่ฟื้อนี่เป็นความลับที่มันเก็บเอาไว้นานๆมก็พูดเสียพูดในในสภาก็มีจะงี่เป็นต้นใช่ไหม <laughs> พวกเขากล่าวว่าไงนะเป็นอะไรกันเนี่ยเราเนี่ยตายไปแล้วเป็นดินอยู่ในดินเป็นผงไปแล้วเป็นดินไปแล้วเราจะถูกให้เกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งกันนั้นหรือ อัลลอฮฺอักบัดนี่อัลลอฮฺเล่าให้นบีมูฮัมมัดฟังนบีรู้ไหมคนรอบๆท่านเนี่ยคิดกันแบบนี้แหล ะ, ะวันนี้วันเล่าให้คนอ่านกุณอ่านฟังแล้วก็ต้องคิดใช่ไหมใช่ครับเราไปคุยดูสิแท็กซี่เนี่ยบุคุยเรื่อยนั่งคุยคุยคุยโอ้อิสลามดีนะดียังไงมีเมียได้สามสี่คนอัลลอฮฺันนี้ก็สนุกแล้วมืนน่อไหร่ละมีค น, นมีเมียเกินหนึ่งเน่ยปวดหัวทุกคน เราไม่เล่าตรงนี้นะเราทตนะอต่อมาครับบัลฮุบิลกออิรับบิหิมกาฟิรุนอัลลบัลไม่ใช่แต่เท่านั้นนะไม่ใช่เชื่อว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เชื่อว่าตาหรือฟืนอย่างเดียวนะยังมีกับการปฏิเสธดังต่อไปนี้ต่อไปอีก บิลีโก อ, อีพวกเขาไม่เชื่อว่าจะไปพบกับอัลลอ์ด้วยนี่เป็นความเชื่อที่เลวที่สุดที่แย่ที่สุดบาปหนักที่สุดไอ้ตายเป็นเป็นผงเป็นดินขึ้นมาเราฟื้นขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวนะเขายังเชื่อต่อไปอีกว่าฉันนี่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาไม่พบพระเจ้าไม่พบอัลลอ์นี่เป็นความเชื่อที่ที่อัลลอ์ไม่พอใจอลัลลอ์เล่าให้นบีฟัง ใช่ไหมเชื่อว่าไม่พบกับอัลลอ์ถ้าจะฟื้นก็ฟื้นไม่ดีเกี่ยวกับอัลลอฮ์อัลลอ์ไม่ทุ่มัชัดไม่ไม่ไม่มีรางวัลมีไหมไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีโฮรุนแอนมีไหมไม่มีนี่แหละเป็นความไม่เชื่อที่แย่ที่สุดบาลฮุมเบลิกอรู้ป่าที่หนักกว่านี้มีเอก คือไม่เชื่อว่าจะไปพบกับอัลลอฮ์สุมาชนะฮูบาดาลารบบีฮมิมพระผู้อภิบาลของพวกเขาไม่ใช่แต่เท่านั้นพวกเขาอะไรนะยังปฏิเสธต่อการพบปะพระผู้อภิบาลของพวกเขากาฟีรีนแปลว่าปฏิเสธไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอ์ไปพบกับอัลลอ์ที่ทุ่งมาชัด เลาจะสอบสวนที่เคนลราคนไม่เชื่อนะครับพอไม่เชื่อก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้ระวังตัวเองนี่แหละเป็นความหสยนาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังแล้วก็เล่าให้พวกเราที่อ่านอุปมาวันนี้ฟังว่าฉะนั้นเราต้องมีอากีด้าว่าั้นะตาแล้วต้องฟื้นไหมฟื้นฟื้นขึ้นมาแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์ใช่ไหมอย่าลืมนะชีวิตหลัง พอตายไปแล้วต้องผ่านสิบขั้นตอนสิบขั้นตอนเอาอะไรบ้างขอเราบ้างบา ง, บางตอน1นึตอนตายตอนตายอยู่ทรมานะมะมารกามาเอาวิญญาณนะมาเอาสองอย่างนะถ้าเราเป็นคนดีมารากาแต่งตัวสวยมีกลิ่นหอมจากสวนสวรรค์มาบอกอุาคโรยีเชิญออกออกเลย ไอ้คนไม่เอาวาลรอดเด้อมันก็หลบไปหลบมันก็ต้องกระชากกันไหนไหมอย่างนี้ไม่ต้นข้อที่สองนอนอยู่ในกุโบแล้วถูกมาลาอิกามาสอบอีกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกถูกต้อนไปทุ่มาชาตอีกต่กินน้ําอีกนะ้นําจากอะไรบ่อ น, น้ําเกา้าซัดมาจากสวนสวรรค์นะ่ะอยู่ที่นั่นนะนบีตักแจงคนทําบิดาไม่มีเศษกินน้จาจากมือท่านนับีนละ นบีว่ามามามาดื่มน้ำมาเลกายืนขวางขวางก็ทําไมเนี่ยมันเบาเบาอัลลอฮฺผุดอุมมาของฉันมาเลกาสว่รค์นี่เขาทาของที่นบีไม่ได้ทําเต็มไปหมดเลยนะชีวิตของเขาจะนั้นการนวายไม่ให้ดื่มน้ำใช่ไหมนี่ข้อที่ห้าแล้วนะแล้วข้อที่หกไปจัดตาช่างอีกละข้อที่เจ็อะไรนะยืนบันทึกมือซ้ายกับมือขวาข้อที่ข้าวซิรอดติ้นดเดินผ่านสะพานซีรอดอัลลอฮฺแล้วเข้านรกเข้าวสวรรค์ กว่าจะเข้าสวรรค์ได้ต้องผ่านอีก8ปดขั้นตอนไม่ใช่เรื่องสนุกนี่ถ้าเราเชื่อแบบนี้เราต้องระวังตัวตั้งตังโลกดุรยาเลยอยากกินน้ํากับพระหารนบีต้องทําไงต้องเรียนซุนนะเยอะๆอ่าคนเรียนซุนนะก็ถูกตำหนี้อีกถ้าใจไม่แน่นเนี่ยนะแขวะหมดเลยอย่างงาั้นอย่าเราทดสอบหมดเลยนะทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบสอบ่ะทีนี้ คุณอานอธิบายกุณอานอย่างน้อยมีสองอายาในกาตีพูดบอกว่าคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเขายังปฏิเสธว่าจะไม่พบกับอัลลอฮ์ในวันเตียมะนี่เป็นความเชื่อที่ร้ายแรงอันตรายกว่าตัวเขาเองแล้วก็อูละอีกอย่อิสูมิร์ฮามะคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีความหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์นี่อันตรายที่สุดอีกอายาหนึ่งก็คือ ว่าอินนักอาศรมนั้นา น, นา่ะสิบิลิคออิรับบิฮิมลากาฟิรุนแท้จริงส่วนมากของมนุษย์เป็นผู้ปฏิเสธแท้ๆต่อการพบ ป, ะ, ปะผู้อภบบาลของเขาคือไม่เชื่อว่ามีโลกอาคิร์ไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าและไม่เชื่อว่ามีการตัดสินไม่เชื่อว่ามีการมอบรางวัล ว่าคดบุบายาตินา ولقاء الآخيرة فأولائك في العذاب موحدرون พูดปฏิเสธองค์กลางทั้งหลายของเราแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่พบกับอัลลอ์แล้วก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่มีวันอาคืเราคนเหล่านี้เนี่ยนะจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์มูฮัมหมัดอัลลฮ์อากัตทีนี้ ในคำว่าอัลลอฮ์ในคัมภีร์ผมนั่งเช็คอยู่เมื่อคืนเนี่ยนะในคัมภีร์กุรอานมีทั้งหมดเก้าร้อยแปดสิบครั้งในคัมภีร์อัลกุรอานที่เขียน ว, ว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัวแดงๆเลยบางเล่มมีสีแดงหมดเลยอนะัลลอฮ์พีแดงหมดนะนั่งนับเก้าร้อยแปดสิบครั้งคําว่าอัลลอฮ์อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาเนเช่นเดียวกันขันอัลลอฮ์มีจริงครับวันเกียรติมีจริงครับตายแล้วฟื้นจริงครับ ในการพบปะก็อรรจริงครับถูกต้องบริทุ่มาชาดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับหมดเวลาครับสุภาณาก็รอคุณมาว่าเบ حمد ุลลอัลลอฮฺอิลลาอัลลอฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลออออลลัลลอฮอลฮัอลออลฮอฮฮอัออัลฮลลลฮอลอล